ดูก่อนสารีบุตรธรรมเทศนาของตถาคตนั้นไม่รู้จักหมดสิน้นบทและพยัญชนะแห่งธรรมะของตถาคตนั้นไม่รู้จักจบสิน้นความแจ่มแจ้งแห่งปัญญาของตถาคตนั้นไม่รู้จักจบสิน้นมากจริงๆนะลองอ่านาระไตรปดฎกดูสิวโอ้โหจะมีปัญญามากมมยขนาดนี้ขนาดอย่างอภิธรรมปีดกเนี่ยก็ จะว่าไปเนี่ยฉบับปานกลางนั่นไม่ใช่ฉบับพิสดารแสดงที่สวรรค์เนี่ยเป็นฉบับพิสดารต้องต้องหมายถึงหมายถึงพระระยะ บ, บุคคลมากกว่าครับที่จะเมื่อเมื่อเข้าวัยชราแล้วจะไม่เสื่อมอย่างนั้นคือตรงนี้เนี่ยอ่าหมายถึงผู้ที่ได้อ บ, บรมมาแล้วนะผู้ที่ได้อ บ, บรมกายอ บ, บรมศีลอ บ, บรมจิตมาดีเนี่ยไม่ฟั่นเฟือน แต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการอบรมสติปัญญาพวกร่างกายก็เสื่อมก็ถอยไปเป็นธรรมดาเพราะว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุรูปใช่ไหมจิตใจนั้นก็เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุรูปถ้าวัตถุรูปนั้นได้รับการบริหารที่ไม่ดีสภาพจิตก็ต้องเสื่อมโทรมไปด้วยนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะบริหารวัตถุรูปได้ดีร่างกายก็สภาพจิตของเราก็สามารถที่จะดีต่อไปได้นันคนสูงอายุ บ, บางคนก็จาแม่นขึ้น นี่เพิ่งอ่านหนังสือเมื่อสักพักนึงบอมีโยมคนหนึ่งอ่ะอายุร้อยกว่าปีอายุรอย้อ ย, รอยสองปีเขาบอกว่าตอนนี้เขาอายุสองขวบเขาว่างั้นนะอายุร้อยสองปีนับสองใหม่่าบอกว่ากกงจะอยู่อีกนานไหมเขาบอกว่าจะอยู่อีกชักยี่สิบปีเขาบอกอยี่สิบปนะีอายุร้อยยี่สิบพอแล้วบอกอะร้อยอายุรอย้อยรอย้รอยสองปีนี่ก็ไม่ได้หลงลืมอะไรเลยนะทําอะไรทําเองหมดเลยไม่หลงลืมไม่ฟัน่นเฟือนไม่อะไรทั้งนั้นแหละ นั้นก็อยู่ที่ที่คนนั่นเองแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อบรมสภาพจิตมาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตไปนานๆเข้าสติมันก็หลงหลงลืมลืมไปทั้นความจำของเราทั้งหลายแหล่เนี่ยจะลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันอยู่ที่ที่เราสะสมนะอย่าง <c oughs> อย่างบอกว่าเอ๊ะคนเนี่ยเราเนี่ยจำไม่แม่นเลยแต่แหมบางเรื่องนี่มันจำแม่นจน พูดได้เป็นตุเป็นตาให้เล่าประวัติให้ฟังเนี่ยเราได้สามชั่วโมงไม่มีดั้มเลยใช่ไหมแต่การรับรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นเหมือนกับครั้งเก่าๆใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าคนอายุน้อยๆนะเขาบอกว่าจะพูดแต่เรื่องอนาคตถ้าส่วนใหญ่ถ้าคนอายุมากไปแล้วจะคิดจะพูดถึงแต่ความหลังเออเนี่ยเขบอกว่าใครที่พูดถึงความหลังบ่อยๆคอรู้ว่าอายุชักมากขึ้นนะนะเป็นผู้เฒ่าแล้อพูดถึงเรื่างกายเรานะฮะ รูปธรรมนั้นเนี่ยยังมียังมีหนุ่มมีสาวยังมีเข้าวัยกลางคนเข้าวัยชรานะครับแต่นามธรรมนี่มีแก่ไหมครับไม่แก่นามธรรมนี่ไม่แก่พรานั้นก็คิดดูบอกว่าถ้ามันแก่นะอายุมากมากนะกิเลสมันน่าจะแก่ไปด้วยใช่ไหมมันน่าจะอ่อนไปแต่นี่มันไม่ได้อ่อนลดลงเลยอะอายุมากกว่กิเลกก็ไม่ได้น้อยลงเลยพั้นมันก็มีกําลังมากขึ้นกับเกา่าโดยซ้ำไปแต่ทีนี้ว่าที่มันดูอ่อนกําลังก็คือจิตต่เชรมันไม่ค่อยมีกําลังนะ มันก็เลยการแสดงออกเป็นต้นก็เลยอ่อนกําลังแต่ที่มันเป็นลักษณะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็อย่าลืมว่าร่างกายของเราสมุทฐานสีนะทั้งอาหารด้วยสภาพจิตด้วยอุตุด้วยกรรมด้ว ย, วยอั้นปัจจัยตั้งตั้งหลายประการด้วยกันถ้าเราสามารถที่จ ะ, ะบริหารปัจจัยได้ร่างกายเราก็สามารถที่จะมีความสดชื่นอยู่ได้แต่ทีนี้ส่วนหนึ่งของกายก็คือคือสภาพจิตนะนะถ้าจิตเราเดีจริงๆอ่ะ อย่างคนสูงอายุบางคนก็มีความจําความสามารถดีกว่าเด็กๆ ด, ด้วยซ้าไปฉลาดกว่ากว่าคนหนุ่มๆด้วยซ้าไปถ้าหากว่าผู้นั้นเขามีการอบรมะนะมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาท่านพวกท่านที่มีอายุน้อยๆ อ, อย่างนี้ก็ได้เพียบผมนะว่าไ <c oughs> ม่ได้มีโอกาสได้เรียนได้อะไร <c oughs> อย่ามาปล่อยบางคนมันเริ่มเรียนตอนเยาย์วนี่ืคอความคิดอันนี้แหละเป็นตัวบันทอนด้วยกันนะ เป็นไงครับก็คือมันทําให้ล้ามันทําให้ไม่มีศรัทธาที่จะเรียนทำให้แบบโอ้ยมันที่จริงอ่ะไม่ต่างกันเลยถ้ามีความกระฉับกระเฉงมีความตื่นตัวที่จะศึกษานะไม่ต่างกันคนอายุมากๆอาจจะได้เปรียบกว่าก็ได้เพราะสามารถรู้เรื่องชีวิตอย่างถูกต้องเลยและคําสอนของพระพุทธเจ้าก็กล่าวแต่เรื่องของสัจจะใช่ไหมไม่ต้องไปคัดทิ้งทั้นเราคนที่มีอายุมากๆกกลับจะมองเห็นชีวิตได้อย่างละเอียดละออกว่า ว่าคนที่อายุน้อยๆคนอายุน้อยๆมันก็อยากลองโน่ออนอยากลองนี่อยากดูนั่นดูนี่ก็เลยไม่ได้เพ่งในเรื่องความจริงมากนะแต่คนอายุมากๆอาจจะเห็นสัจจะมากขึ้นนะนั่นก็จะทําให้มีสติปัญญามากขึ้นเป็นปลอบใจผมป่ะไม่ไม่ได้ปลอบใจ <c oughs> คือเพียงกันเล่าให้ฟังว่าถ้าเราสนทนาของตมาเองไม่รู้เป็นยังไงนะถ้าสนทนากับคนอายุมากๆเนี่ยจะดีคือรู้สึกว่ามันคุยเรื่องจริงได้เยอะกว่าถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆนะ ไม่สามารถที่จะพูดความจริงได้เยอะคล้ายๆกับว่าเขารับความจริงไม่ค่อยได้ขเขาอยากจะลองดูอยากจะสนุกอยากจะอะไรไปแต่ถ้าคุยกับผู้ที่เขาสูงอายุด้วยแล้วก็อมีใจฝักฝ่ายในเรื่องสัตจ่อยู่ด้วยจะทําให้เข้าใจสัตจ่อีกหลายเรื่องชัดขึ้น <c oughs> ต่อไปนะว่าเมื่อเป็นดังนั้นสาวก บริษัทสี่ของเรานั้นจึงมีอายุตั้งร้อยปีมีอายุตั้ง100ปเป็นอยู่ตั้งร้อยปีกระทำกาละโดยล่วงไปแห่งร้อยปีนี่นี้โดยเฉลีย่ยนะแต่พระนร น, นี้ปรณนิพานตอนอายุร้อยยี่สิบพระมหากระสปะก็ร้อยรอยี่สิบเหมือนกันนหะโอ้อายุเกินร้อยกันทั้งนั้นนะดูกานสารีบุตรถ้าแม้พวกเธอจะเพ่งหามเราไปด้วยเตียงน้อย ความเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาฉเฉลียวฉลาดของตถาคตย่อมไม่มีเลยดูก่อนสารีบุทเกิด <c oughs> ถ้าหากว่าแม้แต่พระพุทธเจ้านะถูกหามไปด้วยเตียงน้อยๆเนี่ยปัญญาก็ไม่ได้ลดลงเลยคำพูดของพระพุทธเจ้านี่เร็วมากนะก็อบอกว่าถ้าพวกเราคนทั่วไปพูดนะหนึ่งคำพระอนนท์สามารถพูดได้แปดคำ พระนรนพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำถามว่าแล้วทั้งหมดถ้าเราพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้กี่คำนั่นแหละไปกี่คำอ่ะนะเอาไหมพวกเราพูดหนึ่งคำพระอนรพูดได้แปดคำพระนรพูดหนึ่งคำพระพุทธเจ้าพูดได้สิบหกคำ นั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละประมาณร้อยี่สิบแปดคำอะนะโอ้โหเร็วเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยลิ้นพระองค์บางมากแล้วก็พระองค์เนี่ยชาวชาวนะของพระองค์เนี่ยมีไม่ถึงเจ็ดดวงไม่ไม่ไม่เจ็ดวงนะประมาณห้าดวงแล้วผวังขั้นน้อยมากเลนส์บางัแค่ขยับปุ๊ บ, บ, บเลยแล้วก็บอกคำพูกระดับนี้แหละจึงจะคุยกับเทวดาได้สบายนะ บอกว่าสติปัญญาแบบพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีฌานไม่มีสมาบัติไม่มีอะไรนะเปอร์เซนต์เพียรเนี่ยสูงมากเลยมันความรวดเร็วของจิตอะเร็วมากอะพระพุทธเจ้าอาศัยการเข้าพระสมาบัติเข้าฌานเข้าอะไรก็จึงจะรักษาจึงจะส่งไว้ได้ถ้าหากว่าเป็นสภาพจิตของคนธรรมดาทั่วไปเนรู้ขนาดนี้โทสะเอาแทรกแล้วอุทจฉานี่แทรกทันทีเลยฟู้งซ้านเลย mm hmm. ดูกานสารีบุตร บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์ผู้ไม่มีความรุ่มหลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มนุษย์และ เ, เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำนั้นกับเราว่า สัตผู้มีความไม่รุ่มหลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขเป็นชนอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นแหละท่านพระนาคาสมาระถวายงานพัดอยู่นะเบื้องพระปริศพุทธเจ้ากลาลังแสดงธรรมนีอยู่นาคาสมาระพัดยู ลำดับนั้นท่านพระนาคสมาลมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ามีโลมโลมาอันพองเพราะฟังธรรมะปรยายนี้คือฟังสูตรนี้ปั๊บเนี่ยขนลุกชูชันเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนาคสมาละเพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงทรงจำธรรมะปริยานี้ไว้ว่าโลมหังสนะปริยญาพระสูตรที่ว่าผู้แล้ขนลุกอ่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระนาคสมาละมีใจชื่นชมยินดีพระพาษิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลความสลัดปล่อยใช่ไหมแล้วแล้วมันจะจะจะต่างกันบ้างไหมคระหว่าง คำทั้งหลายเยอะเหลือเกินบางทีก็ต่างโดยพยัญชนะอย่างเดียวนะนั่นแหละถ้าหากว่าบางแห่งบางแห่งก็แสดงแบบนี้บางแห่งก็แสดงแบบนี้ซึ่งตามความเหมาะสมของของอัธยาศัยของผู้ฟังนั่นเองบางคนฟังถนัดในเรื่องของการละก็ใช้คําว่าประหานะบางคนถนัดในการใช้คําว่า โวสักขะเรียสละคืนก็ใช้โวสักขะไปะตามความเหมาะสมหรือตามอัธยาศัยของผู้ฟังแล้วแล้วก็อย่างอย่างบุ้ผู้นธรรมดาอย่างพวกเราที่เริ่มเริ่มจะมาเรียนเนี่ยนะคะมันจะนิโรดนี่อันไหนได้ตาทางค่ะนิโรธนะค ะ, ะก็เป็นพวกตาทางค่านิโรธด้วย<ห>ดย้วยด้วยองค์ธรรมที่ดับด้วยองค์ธรรมที่เป็นคู่ปรับ อย่างเช่นอดับสกายทิฐิด้วยความรู้ที่กําหนดแยกนามรูปออกได้เจนทพนก็ในขณะที่เห็นรูปนามขันธ์ห้าตามความเป็นจริงในขณะนั้นก็สามารถที่จะละสกา ย, กายทิฐิได้ก็เป็นนิโรด ใ, ในขณะนั้นในขณะนั้นเจนพนแต่ก็เป็นตะทางคะนิโรดนั่นแหละคะไม่ไม่ใช่นิสรณะเลยถ้าเป็นนิสรณะนิโรดนี่มันเป็นการสลัดเคลืนที่ที่แน่นอนด้วย ด้วยธรรมาตาธาตุใช่ไหมอะไรเนีด้วยด้วยนิพพานใช่ไหมท่า น, นิสรณะณนิโรธท่านนิสรณะณนิโรธนั้นเป็นชื่อของนิพพานเขาค่ะกับปฏิปัปสสธินิโรธเป็น่ะยปฏิปัปสสตินั้นเป็นชื่อของผลจิต ต, <า>จต่างกันนิดเดียวอ่าปฏิปัสสธินั้นเป็นชื่อของผลจิตผลจิตเจ็ดพันดับด้วยความสงบพระงามอาศัยโลกุณรามัก ใช่ไหมฮอันนี้เป็นท่าโลกุตระมาร์กนั้นเป็นสมุทเฉทท่นิโรธแะอ๋อหมายหมายถึงว่าปฏิปสัสธีนั้นหลังจากเป็นผลเป็นโลกุตระผลแล้วใช่ <จน S 1> มะฮะเจนพานเป็นเป็นชื่อของผลจิพชื่อผลลัพใช่ไหตทางคะเป็นชื่อของอ่าวิปัสนาทั้งหลายวิปัสนาอ่าบางแห่งก็กล่าวถึงตั้งแต่ทานนี้ก็ชื่อว่าตัทางคะด้วยนะทานศีลก็เป็นตัทางค้าประหารอ่า วิปัสสนาก็เป็นต่ทางค้าประหารมักเป็นสมุเชเเทสมุเชเเทประหารผลเป็นปฏิปฏัปสสธิปหารแล้วก็นิพานนิพานเป็นนิสระประหา ร, า ร, หารค่ะส่วนนิควิกขำพระนัประหารนั้นข่มไว้ด้วยฌานข่มไว้ด้วยฌาน เ, เรียกว่าอุปจารสมาธิกับ อ, อัปปนาสมาธิค่ะซึ่งซึ่งบุตรชนที่ไม่ได้เจริญฌานก็หมดโอกาสอันนี้ก็เจริญพุทธคุณเอาไปแล้วกัน จเจริญผู้ทธกคนก็เชื่อว่าเป็นการข่มกิเลสเหมือนกันครัครับผู้ทุกคนค ร, โน ร, รัโลกได้ขณะทํารรกิจโลกได้ขณะทํากิจนะคือคือเออถึงเวลาทําอันนี่แล้วน ะ, ะ8โมงถึง11โมงหรือ12โมงเป็นเวลาทําอย่างนี้เรียกว่าได้เวลาทํากิจทํางานถึงขณะนั้นๆแล้ว แต่เขาไม่รู้ขณะหรือไม่ใช่ขณ ะ, ะชาวโลกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็บพูดไปอย่างนั้นแหละแต่เขาไม่รู้รองอะไรเป็นขณะและไม่ใช่ขณะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แปประการนี้8ประการเป็นไนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผ้ารหารัสตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วสรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมและธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนะประมวลมาก็คืออริยสัจนั่นแหละธรรมะทุกสูตรนะอย่างลงอริยสัจหมดเลยถ้าเรามีความเข้าใจนะทุกสูตรเป็นอริยสัจหมด อันธรรมะอันพระผู้มีพระภาคย่อมทรงแสดงนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้อันพระสุคตเจ้าประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เข้าถึงนรกเสียดูกรพิสูนทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์คือเรื่องอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วล่ะแต่คนฟังเนี่ยดัตกนรกอย่างเงี้ยอดเลย สองนะพระองค์ก็ทรงสแสดงเรื่องอริยศัสตร์อย่างนี้แต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงกำเนิดศาสตร์เดรัจฉ า, านเสียอย่างนี้ก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยอีกไม่ใช่ขณะใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์หมายความว่ากาลังพระองค์กาลังสแสดงหมายความเราอยู่มเราอยู่ในสภาพนั้นคือแต่ว่าเราได้ฟังในช่วงที่สมัยมีพระพุทธศาสนา ดันไปเกิดในนรกอย่างเงี้ยเชิญพานหรืพอแมทพราะพุทธเจ้าเขามีการศึกษาปฏิบัติธรรมกันหน้าเชื่นตาบานเราดัานเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างเงี้ยหดเลยอย่า<อ>เป็นไรม า, าแล้วสมัยนั้นอนะสมัยเออเอาสมัยนี้ดีกว่านะอีกในหนึ่งนะก็คือแต่บุคคล น, นี้เข้าถึงเปรติวิสัยอเนะข้าเป็นเปรตก็อดเหมือนกันนะที่จะได้บรรลุธรรมได้ฟังธรรมเนี่ยหรือ บุคคล น, นั้นเข้าถึงเทพนิกายผู้มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งเสียเช่นไปเกิดเป็นอสัญญาสัตตาพรมอดอีกดูกอาพิสูจน์ทงหลายนี้ก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรืออีกในหนึ่งนะแต่บุคคล น, นี้กลับเป็นคนเหมือนกันแต่เกิดในปัจจันตะชนบทในพวกมีละขะไม่รู้ดีรู้ชอบ อันเป็นสถานที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปเกิดเป็น India dang, India dang, อ, อินเดียนแดงอินเดียแดงโอทิกหรือเกิดเป็นไทยเหมือนกันแต่ไปอยู่อำเภอไหนก็ไม่รู้อำเภอที่มันหทางพระสงฆ์องค์เจ้ามันทางธรรมะธ ร, รมโมอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ก็โอทิกเหมือ น, นกันไปเป็นพวกมีลักขะไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บุญรู้บาปอย่างบางคนเนี่ยหู พูดอยู่ไม่กี่คำนั่นแหละไปในละเละชายแดนหลายแห่งเนี่ยคนเร่ร่ำชายแดนจริงๆเนี่ยไม่มีศรัทธาจริงๆเะบอกคนปัจจันตะชนบทเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้วัฒนธรรมประเพณีไม่รู้อะไรพักอย่างนั่นแหละโอ้น่าน่าสงสารมากหรืออีกอย่างหนึ่งแต่บุคคล น, นี้กลับมาเกิดในมัชชิมะชนบทแต่เขาเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่วิตปริด ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลนะครับการบูชาการบวงสรวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณทั้งนั้นแหละสัตว์ผู้เป็นโอปาัติกะผีสางเทวดานรกไม่มีสักอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฐิก็อดอีกนั่นแหละ อีกข้อหนึ่งก็คือแต่บุคคล น, นี้กลับมาเกิดในมัชชิมชนบทแต่เขาเป็นคนมีปัญญาสามปัญญาสามบ้าใบาปัญญาสามแปลว่าปัญญาอ่อนนั่นแหละไม่สามารถจะรู้อัดแห่งสุภาษิตและทุพภา ษ, พษิตดูความพิสูจนทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ที่7นั่นแหละอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติแล้วในโลกเป็นพระอรหันตตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วสรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมธรรมะอนนําความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินินพานให้ถึงการตรัสรู้แต่พระสุคตเจ้าทรงประกาศแล้วแต่พระสุคเจ้ามิได้ทรงแสดงคืออริยสัจมีอยู่พระพุทธเจ้ามีแต่พระองค์ไม่ยังไม่เทศให้คนนั้นฟังอ่ะ ถึงบุคคลผู้นี้จะเกิดในมัชิมชนบทและมีปัญญาไม่บ้าใบ้ทั้งสา ม, มารถจะรู้อัดแห่งสุภาษิทิ์และทุภาษิทธิ์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่8ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการอันมิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์8ประการนี้แห ล, ละนั่นก็คือการเกิดในอบาย4ก็ชื่อว่าเป็นไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์ การที่เกิดเป็นชาวชนบทซึ่งไม่รู้ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บุญรู้บาปหรือเกิดเป็นมิจฉาทิฐิหรือเป็นคนพิการนะฮะตรงคนพิการตาบอดหูหนวกเป็นต้นนี่็ก็อดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิและก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาใครๆก็ว่าสติปัญญานเนี่ยมีอยู่แล้วล่ะพอที่จะรู้ได้แต่ก็ไม่ศึกษาอันนี้ก็เป็นชื่อว่าเป็นขณะที่ไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์ ดูกรพิสูจนทั้งหลายส่วนขณะและสมัยในการประพฤติพรหมจรรย์มีประการเดียวข้อเดียวเท่านั้นเองประการเดียวเป็นฉไหนดูกรพิสูจนทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผ้าอรหันรตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมะและธรรมะอันตถาคตทรงสแสดงเป็นธรรมะนำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้พระสุคตเจ้าทรงประกาศแล้วและบุคคลนี้เกิดในมัชชิมชนบทนะมัชชิมชนบทก็คือเป็นชนบทที่มีพระธรรมคำสอนนั่นเองทั้งมีปัญญาไม่บ้าใบ สามารถเพื่อจะรู้อัดแห่งสุภาษิตและทุพภาษิตได้แสดงว่าพวกเราได้เข้าหมดเลยได้หมดเลยนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอริยศาสตร์แล้วนะแล้วก็เกิดในชนบทที่มีการศึกษาพระธรรมด้วยแล้วก็มีสติปัญญาไม่ใช่บ้าบใบ บ, บอดนวกแล้วก็เราพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็ ก็เหลือแต่ความพยายามการต่อเนื่องเป็นต้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการเดียว <c oughs> พระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าชนเหล่าใดเกิดในมนุษย์โลก <c oughs> เมื่อพระทตาคตทรงประกาศศัตรรม <c oughs> ไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะไอแปดอย่างนั่นแหละชื่อว่าคนล่วงขณะชนเป็นอันมาก กล่าวเวลาที่เสียไปว่ากระทาอันตรายแก่ตนพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในการบางครั้งบางคราวการที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งการได้กาเนิดเป็นมนุษย์หนึ่งการแสดงสัตรธรรมหนึ่งที่จะพร้อมกันหาได้ยากในโลกสามอย่างนะพระพุทธหนึ่งเป็นมนุษย์หนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงคำหนึ่งก็เป็นของยากมาก ชนผู้คร่ต่อประโยชน์จึงควรพยายามในการดังกล่าวมานั้นที่ตนพอจะรู้เข้าใจสัพทธรรมได้นะผมบอกว่าควรพยายามนะในขณะที่พอรู้ได้ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยักยียดในนรกย่อมเศร้าโศกอยู่อย่าปล่อยบอกโอ้ยแหมเสียดายถ้าศึกษาเด็ตอนนั้นก็ดีดิอดเลย เขาจะไม่สําเร็จอริยมรรคอันเป็นธรรมะตรงต่อสัจธรรมในโลกนี้ได้เขาเป็นผู้มีประโยชน์ล่วงเสียแล้วจักเดือดร้อนเส้นกาลนานเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นะขนกําลังค้าขายขึ้นคลองกันเลยนะอดเลยนอนหลับทับเสร็จเลยก็แล้วก็เสียประโยชน์ไป <c oughs> คนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้พรากจากสัต ร, รมจากสเสวยแต่สงสารคือชาติและมรณะสินน้นกาลนานนะผู้ที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เนี่ยอดศึกษาพระศัตธรรมพระปริยติสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมและปฏิเวติศัวธรรมก็นะชดเลยที่ใช้คำว่าชวดเพราะมันต่อด้วยฉลูขานถอนนั่นแหละก็คือมันไม่มีโอกาสแล้วอ่ะ ส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถ า, าคตประกาศสัตยธรรมได้กระทําแล้วจักกระทํำหรือกระทําอยู่ตามพระดํารัสของพระศาสดาชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ประสบขณะคือการประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลกชนเหล่าใดดําเนินไปตามมัคคาคือหนทางทางอันนี้ก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดที่พระตถ า, าคตเจ้าทรงประกาศแล้ว ส้ำรวมในสีละสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักสุผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วคุ้มครองอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลมีสติทุกเมื่อไม่ชุ่มด้วยกิเลสตัดอนุสัยทั้งปวงอันเล่นไปตามกระแสบ่วงมาน ชนเหล่านั้นแหลบรรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคืนนิพพานในโลกนี้แล้ว น, นะนี่ก็เป็นข้อความในอัคณะสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ที่ธรตมาชอบมากก็คือขณะอยาล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปพากันยัดเยียดในนรกย่อมเศร้าโศกอยู่อันนะ้เขามีเยอะแล้วที่นั่นอันของเรารอดไปสักสักหน่อยเอนะทายังไงเราจะรอดกันได้ ถ้าหากว่าเราปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ล่วงเลยไปเรานั่นแหละเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดอันเรา่าปล่อยโอกาสเหล่านี้เลยนะโอกาสนี้คืออะไรโอกาสที่ว่านี่คืออะไรอย่างนะมีพระพุทธศาสนาสองเราเป็นมนุษย์สามมีพระธรรมคำสอนนะสามอย่างนี้นะเดี๋ยวไปเข้าใจผิดเป็นอื่นอีกลำบากอีก